สติปัฏฐานเป็นอาหารของพ่ชงความจริงนั้นสติไม่ใช่ตัววิปัสนาปัญญาหรือการใช้ปัญญาต่างหากเป็นวิปัสนาแต่ปัญญาจะได้โอกาสและจะทำงานได้อย่างปลอดโปร่งเต็มที่ก็ต่อเมื่อ มีสติคอยช่วยกำกับหนุนอยู่ด้วยเหตุผลดังกล่าวแล้วข้างตน้นการฝึกสติจึงมีความสําคัญมากในวิปัสสนาพูดอีกอย่างหนึ่งว่าการฝึกสติก็เพื่อจะใช้ปัญญาได้เต็มที่หรือเป็นการฝึกปัญญาไปด้วยนั่นเองในภาษาของการปฏิบัติธรรมเมื่อพูดถึงสติก็มักเล็งและรวมถึงสัมปชัญญะคือปัญญาที่ควบอยู่ด้วยและสติจะมีกาลังกล้าแข็ง หรือชำนาญคล่องแคล่วขึ้นได้ก็เพราะมีปัญญาร่วมทำงานสติเกิดร่วมกับปัญญาจึงจะมีกำลังขาดปัญญาย่อมอ่อนกำลังปัญญาปราศจากสติไม่มีเลยผู้ปราศจากสติย่อมไม่มีอนุปัสนาปัญญาที่ทำงานร่วมอยู่กับสติในกิจทั่วๆไปมักมีลักษณะการที่เรียกว่าสัมปัญญาในขั้นนี้ ปัญญายังดูคล้ายเป็นตัวประกอบคอยร่วมมือและประสานงานอยู่กับสติการพูดจากล่าวขานมักเพ่งเล็งไปที่สติเอาสติเป็นตัวหลักหรือตัวเด่นแต่ในขั้นที่ใช้ปัญญาพินิษพิจารณาอย่างจริงจังความเด่นจะไปอยู่ที่ปัญญาสติจะเป็นเหมือนตัวที่คอยรับใช้ปัญญาปัญญาที่ทำงานในระดับนี้ เช่นที่เรียกว่าธรรมวิจัยในพหชงเจ็ดประการเป็นต้นถึงตรงนี้เห็นควรทบทวนหลักซึ่งได้แสดงไว้ตั้งแต่เริ่มเรื่องมัชชิมาปฏิปทาที่ว่าสติปัฏฐานสี่เป็นอาหารหล่อเลี้ยงพหชงเจ็ดและพหชงเจดนั้นก็หล่อเลี้ยงวิชาและวิมุตโดยยกพุทธพจน์ในอวิชชาสูตรอังคุตรนิกายทัศกนิบาศมาย้ำดังนี้ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าววิชาและวิมุติว่ามีอาหารมิใช่ไร้อาหารก็อะไรเป็นอาหารของวิชาและวิมุตพึงกล่าวว่าคือโพชฌงเจตแม่โพชฌงเจตเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิใช่ไร้อาหารก็อะไรเป็นอาหารของโพชฌงเจตพึงกล่าวว่าคือสติปัฏฐานสี่ สติปัฏฐานสี่ที่บริบูรณ์ย่อมยังโพ่องเจตให้บริบูรณ์พ่องเจตที่บริบูรณ์ย่อมยังวิ ช, ชาและวิมุตให้บริบูรณ์วิ ช, ชาและวิมุต t นี้มีอาหารอย่างนี้และบริบูรณ์อย่างนี้ตามพุทธพจน์นี้ชัดว่าโพชองเจตเป็นธรรมที่ส่งผลแก่วิ ช, ชาวิมุตเท่ากับเป็นตัวที่ให้สำเร็จมรรคผลส่วนสติปัฏฐาน ก็ช่วยด้วยหล่อเลี้ยงโพ่จงเจตนนั้นพุทตพจน์นี้ช่วยให้มองวิปัสสนาได้ชัดขึ้นในสติปัฏฐานนั้นสติทํางานเป็นพื้นยืนรองอยู่ปัญญาในชื่อว่าสัมปันธัญญะก็ได้โอกาสทํางานไปด้วยโดยรู้เข้าใจทุกอย่างที่สติจับดึงตรึงไว้หรือเข้าไปถึงสติจับอันใดให้สัมปัญธัญะก็รู้เข้าใจอันนั้นเหมือนว่า มือจับอะไรเสนอมาตาก็ได้ดูเห็นสิ่งนั้นส่วนพ ooth งก็คือบนพื้นของสติปัฏฐานนี่แหละคราวนี้สติจับเรื่องส่งให้ปัญญาที่ชื่อว่าธรรมวิจัยแล้วคราวนี้ปัญญาเป็นเจ้าบทบาทรับเรื่องไปวิจัยเหมือนตาได้ดูต่อเนื่องไปทั่วตลอดตอนนี้ก็เป็นกระบวนธรรมของปัญญาที่เรียกว่าโพ ooth งซึ่งแปลว่า องแห่งการตัดสรุ้สมปัญญะก็ดีท ร, รมวิจัยก็ดีหรือปัญญาในชื่ออื่นๆก็ดีที่ทำงานให้เกิดความเห็นแจ้งรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตรงตามสภาวะที่มันเป็นเพื่อให้จิตหลุดพ้นเป็นอิสระนี่แหละคือวิปัสสนาสติทรรมกิจสำคัญทั้งในสมถะและในวิปัสสนาหากพูดเปรียบเทียบระหว่างบทบาทของสติในสมถะกับในวิปัสสนา อาช่วยให้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวมานั้นชัดเจนยิ่งขึ้นในสมถะสติกุมจิตไว้กับอารมณ์หรือดึงอารมณ์ไว้กับจิตเพียงเพื่อให้จิตเพ่งแน่วแน่หรือจับแนบสนิทอยู่กับอารมณ์นั้นนิ่งสงบไม่ส่ายไม่ซ่านไปที่อื่นเมื่อจิตแน่วแน่แนบสนิทอยู่กับอารมณ์นั้นเป็นหนึ่งเดียวต่อนเนื่องไปสม่ำเสมอก็เรียกว่าเป็นสมาธิ และเพียงแค่นั้นสมถะก็สำเร็จส่วนในวิปัสสนาสติกำหนดอารมณ์ให้แก่จิตหรือดึงจิตไว้กับอารมณ์เหมือนกันแต่มุ่งใช้จิตเป็นที่วางอารมณ์เพื่อเสนออารมณ์นั้นให้ปัญญาตรวจสอบพิจารณาคือจับอารมณ์ไว้ให้ปัญญาตรวจดูและวิเคราะห์วิจัยโดยใช้จิตที่ตั้งมั่นเป็นที่ทำ ง, งานหากจะอุปมาในกรณีของสมถะ เมื่อเอาเชือกผูกลูกวัวพยศไว้กับหลักลูกวัวจะออกไปไหนนก็ไปไม่ได้คงวนเวียนอยู่กับหลักในที่สุดเมื่อหายพยศก็หมอบนิ่งอยู่ที่หลักนั่นเองจิตเปรียบเหมือนลูกวัวพยศอารมณ์เหมือนหลักสติเหมือนเชือกส่วนในกรณีของวิปัสสนาเปรียบเหมือนเอาเชือกหรือเครื่องยึดผูกตรึงคนสัตว์ หรือวัตถุบางอย่างไว้กับแท่นหรือเตียงและตรวจดูหรือทากิจอื่นเช่นผ่าตัดเป็นต้นได้ถนัดชัดเจนเชือกหรือเครื่องยึดคือสติคนสัตว์หรือวัตถุที่เกี่ยวข้องคืออารมณ์แท่นหรือเตียงคือจิตที่เป็นสมาธิการตรวจหรือผ่าตัดเป็นต้นคือปัญญาที่กล่าวมานั้นเป็นการพูดถึงหลักทั่วไป ยังมีข้อสังเกตเปรียย่อยที่ควรกล่าวถึงอีกบ้างอย่างหนึ่งคือในสมถะความมุ่งหมายอยู่ที่ทาจิตให้สงบดังนั้นเมื่อให้สติกำหนดอารมณ์ใดแล้วสติก็ยึดตรึงดึงจิตกุมไว้กับอารมณ์นั้นที่ส่วนนั้นอย่างเดียวให้จิตจดจ่อแน่วแน่แนบสนิทยอยู่กับอารมณ์นั้นเท่านั้นไม่ให้คลาดไปเลยจนในที่สุดจิตน้อมดิ่งแน่วแน่แนอยู่กับนิมิต หรือมโนภาพของสิ่งที่กำหนดซึ่งเป็นเพียงสัญญาที่อยู่ในใจของผู้กำหนดเองส่วนในวิปัสสนาความมุ่งหมายอยู่ที่ความรู้ความเข้าใจสภาวะธรรมดังนั้นสติจึงตามกำหนดตามจับตามถึงอารมณ์เฉพาะตัวจริงของมันตามสภาวะเท่านั้นและเพื่อให้ปัญญารู้เท่าทันครบถ้วนชัดเจนเกี่ยวกับสภาวะของมันสติจึงตามกาหนดกากับจับอารมณ์นั้นๆ ให้ทันความเป็นไปของมันเพื่อปัญญาจะได้ดูรู้อารมณ์นั้นโดยตลอดเช่นดูตั้งแต่มันเกิดขึ้นคลี่คลายตัวจนกระทั่งดับสลายไปนอกจากนั้นจะต้องให้บัญญาดูรู้อารมณ์ทุกอย่างที่เข้ามาหรือเข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งบัญญาจะต้องรู้เข้าใจเพื่อให้เกิดความรู้เท่าทันตามความเป็นจริงสติจึงเปลี่ยนอารมณ์ที่กาหนด หรือที่จับให้ดูไปได้เรื่อยๆอีกทั้งเพื่อให้ปัญญาดูรู้เท่าทันตรงตามที่สิ่งนั้นเป็นอยู่เป็นไปแท้ๆสติจึงต้องตามจับให้ทันความเป็นไปในแต่ละขณะนั้นๆทุกขณะไม่หยุดติดค้างอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอารมณ์ใดๆข้อสังเกตปลีกย่อยอื่นๆยังมีอีกเช่นในสมถะสติกาหนดอารมณ์ที่นิ่งอยู่กับที่ หรือเคลื่อนไหวเป็นรูปแบบเฉพาะซ้าไปซ้า ม, มาภายในขอบเขตจำกัดส่วนวิปัสสนาสติตามกำหนดอารมณ์ที่กำลังเคลื่อนไหวหรือเป็นไปในสภาพใดๆก็ได้ไม่จำกัดขอบเขตในสมถะนิยมให้เลือกกำหนดอารมณ์บางอย่างในบรรดาอารมณ์ที่สันแล้วซึ่งจะเป็นอุบายช่วยให้จิตใจสงบแ น, แน่ๆได้ง่ายส่วนในวิปัสสนาใช้อารมณ์ได้ทุกอย่างไม่จากัด สุดแต่อะไรปรากฏขึ้นให้พิจารณาและอะไรก็ตามที่จะให้เห็นความจริงสรุปลงได้ทั้งหมดในกายเวทนาจิตธรรมหรือในนามและรูป